พัทธจักรมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่หนึ่งิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีแดงและสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายา ม, น, ามาน้ำ อ, อ, อสอิจิสีแดงและสีเหมือนเปรียงน้ำอสอิจิสีแดงและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอ ส, สิจิสีแดงและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสอิจิสีแดงและสีเหมือนนมสด น้ำอสจิสีแดงและสีเหมือนนมส้มภิสษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีแดงและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศตภิกษุนจงใจพยายามน้ำอสจิสีแดงและสีเขียวภิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีแดงและสีเหลืองเคลื่อนต้องอบัตสังฆาท่เศต